ยาีเรียเรื่องไอ้ชาติคนการละครั้งหนึ่งมีสุนัขสองแม่ลูกพากันเดินทางไปวัด ระหว่างทางจะต้องผ่านป่าช้าที่ทิ้งศพขณะนั้นได้เห็นศพศพหนึ่งขึ้นอืดอยู่ข้างทางสองแม่ลูกหยุดดูลูกหมาเกิดนึกใคร่จะลิ้มรสศพจึงกล่าวกับแม่ว่าแม่จา๋าให้ลูกกินลูกในตาของศพนี้เสียก่อนเถอะแล้วเราค่อยไปกันแม่หมาเอง กำลังยืนพิจารณาซากศพด้วยความสังเวชเมื่อได้ยินลูกกล่าวดังนั้นก็ถึงกับสะดุง้งท้วงขึ้นทันทีว่าอย่าอย่าเชียวนะลูกไอลูกในตาของคนนี่แหละมันชั่วช้าสิ้นดีมีแต่จะสอดสายมองหาแต่สิ่งสวยๆงามๆที่เป็นอัปมงคลภาพยนตร์ละครดนตรี มีแต่ จ, จ้องเอาจ้องเอาจนจิตใจฟุ้งซ่านเจ้าขืนกินเข้าไปสิจิตของเจ้าอจะซามลูกหมาได้ยินดังนั้นก็เปลี่ยนมาวิงวอนแม่อีกว่าถ้าเช่นนั้นให้ลูกกินหูมันเถอะแม่หมารีบสวนขึ้นทันใดว่าถึงหูก็ดีเสียเมื่อไหร่ล่ะมันเฝ้าแต่จะเนี่ยฟังเสียงประจบสอพลอ เสียงดนตรีที่แสนจะแสบแก้วหูเสียงร้องอุบาทที่ยั่วยุกามารม่มส่วนคําสอนรสพระธรรมนั้นเขาไม่ยอมให้ลอดเข้าไปในหูอย่าเลยลูกลูกมาไม่สิ้นความพยายามกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นให้ลูกกินจมูกมันก็แล้วกันแม่หมาขึ้นเสียงก็อีกนั่นแหละไอ้จมูกของคนมันชอบแต่จะสูดดมกลิ่น ที่เป็นต้นเหตุแห่งความใคร่กลิ่นทูปควันเทียนอันเป็นสัญลักษณ์ทางธรรมเสียอีกไม่ยักมีใครใฝ่หาชั่วสิ้นดีอย่าเลยลูกได้ยินดังนั้นลูกหมาก็วอนต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นลูกขอกินลิ้นมันนะแม่หมาขัดขึ้นอีกว่าลิ้นหรื อ, รอก็เลวร้ายพอๆกัน มันมีแต่จะตะวัดไปตวัดมาด้วยความสับเปลั่นปลิ้นปล้อนโกหกหมดเท็ดสิ้นดีลูกหมาจึงว่าถ้าอย่างนั้นกินมือมันดีกว่าแม่หมาร้องดังขึ้นอีกว่ามือก็ใช่จะดีเสียเมื่อไหร่ล่ะมันชอบแต่จะหยิบฉวยเอาสิ่งของของคนอื่นด้วยการลักขมโมยตบโน่นตีนี่แม้พ่อแม่ครูอาจารย์ ก็ใช้มือประทุษร้ายได้ลูกหมาพยายามเปลี่ยนความตั้งใจว่าถ้างั้นลูกกาดกินเท้ามันเถอะแม่หมาปรามอีกว่าเท้าคนก็อีกนั่นแหละมันมีแต่จะเยื้องย่างเข้าช่องทางแห่งอบา ย, ยมุกหรือย่องหนักย่องเบาไอ้ที่เต้นแรงเต้นกาสะบัดเล่าๆไปมาจนไม่รู้ว่าลิงหรือคน นั่นก็มิใช่เท้าดอกหรืออย่าดีกว่าลูกลูกหมาอ้อนวอนเป็นครั้งสุดท้ายงั้นกินหัวใจมันก็แล้วกันแม่หมาได้ยินดังนั้นตกใจร้องเสียงหลงตวาดว่าอย่านะอย่าเป็นอันขาดหัวใจนั่นมันร้ายเสียยิ่งกว่าอะไรหมดมันเต็มอัดอยู่ด้วยโทสะโมหะ เต็มอัดไปด้วยความโลภความเห็นแก่ตัวมีแต่มุ่งกอบโกยเอาไม่รู้จักพอไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนทุกยากของผู้อื่นอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตมุ่งร้ายต่อกันชั่วสิ้นดีจะกินเข้าไปสิเจ้าจะเสียศักดิ์ศรีแห่งตระกูลได้ยินแม่ว่าดังนั้นลูกสุนนะัข ก็ทมน้ำลายรถศพนั้นพลางสะบัดหน้าชวนให้แม่รีบเดินต่อไปพร้อมกับรำพึงในใจว่าโถเอ้ยช่างไม่มีอะไรดีเลยนะไอ้ชาติคน